ของพระเทียท่านพูดถึงเรื่องสมาธิแบบหลวงพ่อนะสมาธิแบบตำลาสมาธิแบบเกจิอาจารย์หลายรูปแบบทีนี้สมาธิที่หลวงพ่อท่านเน้นคือเห็นเห็นก็คือเห็นเห็นชื่อสือสมาธิของท่านเห็นที่เสือรู้ รู้ซื่อในช่วงที่หลับตาเนี่ยใจจิตเราเป็นยังไงมันซื่อไหมสังเกตดูมากกว่าจะเข้าใจหลักอันนี้ได้ทดสอบหลายครั้งลองหลับตาดูลืมตาดูหลับตาดูลืมต่ดูข้อถูกข้อผิดข้อดีข้อเสียข้อเด่นข้อด้อยดูประโยชน์มากประโยชน์น้อยอะไรต่างๆศึกษาไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ว่าลวงพ่อเรียนบอกไม่ต้องหลับตาเราก็ไม่หลับตาทําท่านเราก็ไม่รู้กันไม่ให้ให้ลืมตาเพื่ออะไรเนี่ยเราก็เพราะว่าไม่ได้เกิดปัญญาจากปัญญาของเราเองท่านบอกอย่างนั้นมันจะต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราทำตามโดยที่เราไม่ได้ศึกษาเนี่ก็ถือว่าเราทําตามแบบไม่ไม่รู้มันอาจจะแม้แต่ลืมตาก็อาจจะผิดก็ได้เพราะเราไม่รู้ ลืมตาแบบไม่รู้หลับตาแบบไม่รู้นั้นคอยศึกษาไปเรื่อยๆแต่ก็ยอมรับว่ายากนะก็จะลืมตาได้นะเพราะว่าเราเสพติดพอกันหลับตาทําสมาธิมันก็เสพติดสมาธิเสพติดความสงบบอกว่ามันชัดดีเพอเวลาหลับตาทําเลยนะยกเลยรู้สึกมันได้เต็มร้อยเลยนะเนเอง แต่ลืมตาทำมันหายไปหนึ่งหยลือนิดเดียวว่างั้นอันนี้คือปัญหาว่าเรารู้สึกว่ามัน <c oughs> ความชัดเจนเต็มไม่เต็มหน่วยยกมือก็ศึกษาดูนะแต่บางครั้งเราหลับตาปั๊บต <c oughs> ัว ร, รู้ตัวตื่นที่ที่เกิดจากทวารทั้งหก มันไม่เต็มร้อยสมมุติว่าทวารทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยต้องการตัวรู้โัวตื่นให้ทั้งภายนอกภายในเข้าไปเพราะตัวรู้โดวตื่นนี่เป็นองค์ประกอบของปัญญา อ, องค์ประกอบของปัญญาแต่พอเราปิดทวารใดทวารหนึ่งเนี่ยองค์ประกอบของปัญญาในทวาร น, นั้นก็หายไปนะก็หายไปทีนี้ใน เวลาเราหลับตาอามาก็ลองดูหลายครั้งนลองดูนับไปท่วนแหละหลับตาบางครั้งนี่มันมีภาพขึ้นมาภาพนั้นภาพนี้ผุดขึ้นมาพอลืมตาภาพนั้นก็หายไปอามาก็มาดูไอ้ภาพนั้นมาจากไหนมันไหลมาจากไหนก็เลยก็พิจารณาดูประกอบกันหลายส่วนว่าเวลาเราหลับตาภาวะรู้ตื่นทางอายตนะ ไม่พอเนี่ยตัวจิตใต้สํานึกหรือพวังค้าจิตที่มันแอบออกมาทํางานมันไหลออกมาจากนั้นแหละเพราะอะไร s u b c o n s c i o u หรือจิตใต้สํานึกหรือไรสํานึกก็าตามเนี่ยมันได้เก็บการกระทบทุกอย่างที่ที่มันมากระทบปับ๊บมันเก็บเอาไว้มาเรียกมันว่ากล่องดําของชีวิตเหมือนเครื่องบินน่ะมันจะต้องมีกล่องดําเก็บข้อมูลว่แต่ละเวลาใช่ไหมอะไรเกิดขึ้น เวลาเกิดอักเดบินอะไรขึ้นมาเขาต้องตามหากล่องดํานี้ได้ก่อนถ้าเกิดกล่องดำหายนี่หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดไม่รู้เลยว่าเครื่องบินลํานี้มันตกเพราะอะไรไม่รู้เลยแต่พอเจอเครื่องกล่องดําปั๊บเนี่ยมันจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดก่อนที่มันจะมุงโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ยกล่องดําจะบันทึกไว้หมดในเรื่องของปรัชาด้นจิตใจก็มันเราเรียกจิตใต้สำลี sub conscious เ, เป็ น, เ ป, นเป็นกล่องดํา เป็น black b o ็อกของมันทีนี้ในกรณีที่ <c oughs> เราเราจิตตื่นรู้หรือว่าจิตรู้สำนึกเนี่ยมันทำงานอยู่ไอ้จิตได้สำนึกมันก็จะทำงานน้อยลงไปแต่ก็ไม่หมายความว่าเรามีจิตรู้สำนึกแล้วจิตเราจะไม่ไหลนะมันก็ไหลในกรณีที่เราตัวตื่นรู้เราไม่เข้มแข็งพอเราจึงมาสร้างตัวตื่นรู้ เพราะนั้นในวิธีการของวัฒเทียนเนี่ยต้องการตัวตื่นรู้ที่ท่านเขียนน่ะนะแต่หายไปอันหนึ่งแต่นี่เป็นความฉลาดของผู้เขียนนะ <c oughs> พราอะไรพราะผู้อ่านจะได้เตือนเอเองให้สมบูรณนะ์นี่เป็นการให้เกียรติผู้อ่านทำมาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะไม่ได้ไม่ได้เจตนาว่าเขาจเจตนาลืมเจตนาที่ให้เกียรติผู้อ่านว่าตื่นรู้แล้อะไรต่อไปแล้วก็ผู้อ่านก็จะเตือน้าพเอเอง ก็เรียกว่าตื่นรู้แล้วก็เบิกบานตัวเบิกบานนี่เป็นเรื่องส่วนตัวบางทีตื่นรู้ก็จริงมันไม่เบิกบานก็มีอย่างหน้าบูดเบี้ยวอยู่ตื่นรู้ก็จริงแต่หน้ายัางบูดยังเบี้ยวแสดงว่าการตื่นรู้นั้นยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ต้องหาพยายามเติมเต็มตัวตื่นรู้ให้เต็มเือเลีย น, นตัวเบิกบานมันดอกไม้อ่ะ ถ้ามันยังไม่เต็มที่ของมั น, มนก็ยังบานไม่ได้มันก็ยังเป็นตัวตื่นรู้นะครับ ต, ตัวมันยังไม่บานมันเป็นดอกบัวอยู่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเราเราทําโดยเฉพาะวิธีการอองกุศลเป็นวิธีการที่ให้อิสระแก่เราที่สุดในการศึกษาในในความเข้าใจความธรรนะเท่าที่มีประสบการณ์ในวิธีการอื่นเนี่ยเขาจะต้องมีรูปแบบ ล็อกเอาไว้จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ในวิธีการนักว์เทียนถึงมีถึงแม้ว่ามีรูปแบบล็อกอยู่ว่าจะต้องสร้างจังหวะต้องเคลื่อนไหวต้องอลืมตาอะไรเนะี่ยแต่ว่ามันก็มีน้อยมากอะ่ะเพราะรูปแบบมันต้องมีถ้ารูปแบบไม่มีเนะี่ยเสาแต่และต้นมันเป็นเสาไม่ได้นะถ้าไม่มีแบบนะอันนี้เขาแบบสาเร็จรูปไม่ต้องแกะแบบนะ ทั้งแบบทั้งตุนเป็นอันเดียวกันไปเลยอันนี้ <c oughs> วิธีการหัวเทียมเป็นแบบสําเร็จรูปทั้งเนื้อหาทั้งรูปแบบเป็นอันเดียวกันไปเลยไม่ต้องมานั่งแกะแบบยากพอในตัวที่มันเทลงในแบบนะี้เป็นตัวเฉพาะหินก็อันหนึ่งทรายก็อันนึงปูนก็อันนึงเหล็กก็อันนึงมันยังติดกันไม่ได้ แต่พอเทนึงในแบบมีน้ำที่เหมาะสมมันก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นในรูปแบบก็เหมือนกันมันเหมือนกรอบที่ให้เราภาวะจิตของเราเหมือนมันยังประสานกันไม่ได้มันไปคนละที่ละทางอยู่อคิดไป็นนู้นเป็นนี่เราก็นํามารวมกันรวมกันแล้วมันก็ยังสมมุติว่าเราเทปูนเทหินเทดินลุงไปใแบบเนี้ยมันจะยังไม่ได้ทาให้มัน เข้ากันเนี่ยมันจะเป็นเสาได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นของเดิมอย่างนี้นไม่มีกําลังแต่พอน้ำํำก็ไปประสานในระดับที่พอดีพอ ด, พอดีเนี่ยมันก็กลายเป็นเสาจิตของเราก็เหมือนกันถ้าน้ำตรงนี้เปรียกเสมือนสติสัมปชัญญะที่จะเข้าไปประสานความคิดอารมณ์ต่างๆซึ่งเปียกเสมือนหินเหมือนปูนเหมือนดินอะไรที่ผสมแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ประสาน เพราะนั้นเรามาเจริญสติตัวตื่นรู้นี่เพื่อเป็นน้ำที่จะประสานความกระจัดกระจายของอารมณ์เราเนี่ยให้มันเข้มแข็งขึ้นมาให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นเอกขาตานึกภาบออกไหมนึกภาพอกนะเพราะฉะนั้นตัวน้ำเป็นตัวสำคัญ อะไรก็ตามที่เราจะทําสิ่งนั้นลงไปในแง่ของวิถีพุทธเนี่ยต้องศึกษาต้องทําความเข้าใจเรื่องนั้นมันจะมีสองมิติมิติที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่เราพูดถึงในปิดนิติของนามธรรมหรือตัวปรมัตดเนี่ยถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าใจปรมัตดก็ยังเข้าใจไม่ได้ว่ามันหมายถึงอะไรเราก็พยายามนี่คือพุทธคำสอนพุทธเจ้ามีในส่วนที่เป็นสมมุติเข้ามาด้วยคือในส่วนที่เป็นรูปแบบเป็นสมมุติ ในส่วนเนื้อหาเป็นปรามัตดเราเามาใช้ภาษาการศึกษาว่ารูปแบบและเนื้อหาใช่ไหมแต่มาใช้ภาษากฎหม า, านว่าสมุติและปรามัตดแต่ในภาษาที่ท่านนำมาเรียบเรียงสมัยว่าอัฏฐะกับพยัญชนะอัฏฐะคือเนื้อหาพยัญชนะคือรูปแบบเวลาท่านสั่งแล้ท่านเอามาร้อยเรียงสมัยว่า พร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอาาัฏฐะพร้อมจันพยัญชนะประกาศงดงามไพเราะถูกต้องทั้งเบื้องต้นทรรมกลางที่สุดก็คือประกาศทีความเป็นทั้งสมมติและประมตาทคนปฏิบัติก็เข้าใจทั้งสองส่วนในร่างกายาก็มีแค่สองอย่างกายเป็นสมมติใจเป็นปรมาทุนกายเป็นรูปแบบใจเป็นเนื้อหาใจเป็นอาาัฏฐะกายเป็น เพยัญชนะเนี่ยกายเป็นตัวรู้สึกตัวใจก็เป็นตัวรู้สึกใจทั้งสองอย่างตัวรู้ก็ประกอบกันไปเพราะนัาา้นเราใช้คาว่ารู้สึกตัวเนี่ยจึงเป็นทั้งรูปแบบและเนื้อหาในคำคาเดียวใช่ไหรู้สึกเป็นอะไระเป็นปรมา ต, ตัวเป็นสมมตุติรู้สึกเป็นเนื้อหา ตัวเป็นรูปแบบนี่ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาที่ประหลาดสามารถที่จะคอนเทนหรือบรรจุเอาตัวสมุิปรมาติ์เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นในฮอตเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาในสิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราเชื่อนั้นพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาจะเชื่อว่าศีลดีเนี่ยก็ให้ศึกษาเรื่องศีลด้วยก่อนถ้าทําได้ก็เพิ่งไปอีกนิดหนึ่งจากศีลสิละศกาเป็นอธิอธิศีลและศีกขาถ้าสมาธิมันดีถ้าทําถูกต้องเป็นอธิจิตถ้าความคิดความอ่านมันดีศึกษาได้ถูกต้องก็เป็นอธิปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเที่ยวนี้ถือว่าเราได้สปายะ ค่อนข้างดีสปายะที่สำคัญที่สุดก็คือสมปวังกตาก็คือสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเอื้อความสงบสง่าอาวาสปายะนี่เราได้เต็มที่เลยในส่วนความสงบสงัดนะแต่ว่าอาวาสพายะในส่วนที่เป็นความสะดกสบายเราก็จะไม่ค่อยเต็มที่แหละที่พักที่พักที่นอนในต่างก็ เอาเท่าที่ได้เท่าที่มีตามที่ท่านได้แจ้งเหตุผลไปแล้วว่าเราเพิ่งกอ่อตังกันแต่เราก็ไม่ต้องการส่วนนั้นเท่าไหร่เพราะเราเสะดวกสบาย จ, จากบ้านมาแล้วมาที่นี่เราก็เอามาเติมเอาเองนะในส่วนที่เป็นาหาระสัพยะก็พอดีที่เป็นปุขละสัพยะเพื่อนที่มาที่นี่ทุกคนก็มุ่งหมายในจุดเดียวกันก็เป็นสัพยะไม่ไม่ใครสร้างปัญหา ธรรมสปประสปายะเราใช้วิธีการเคลื่อนไหวหลวงพเทียนเนี่ยเป็นธรรมสสปายะสําหรับวันนีก็สะดวกตรงนี้เขาเรียกสัมปองกตะแล้วในส่วนที่สหายตาก็คือผู้มาปฏิบัติทุกคนก็มุง่งเป็นเพื่อนใจเวลาเรานั่งปฏิบัติร่วมกันเนี่ยถือว่าเป็นให้กําลังใจซึ่งกันและกันการที่เรานั่งปฏิบัติคนเดียวก็ไปนั่งปฏิบัติร่วมกับกลุ่มนี่ก็มีความต่างกัน นั่งปฏิบัติคนเดียวมันก็เดี๋ยวสักพักนึงมันก็รู้สึกสำหรับคนใหม่นะสําหรับคนเก่าคนที่มีประสบการณ์แล้วนั่งปฏิบัติคนเดียวก็รู้สึกได้ลมดีฝ่าเพราะว่ามันเป็นส่วนตัวแล้วก็ทําได้เต็มที่แต่สําหรับผู้ใหม่นั้นได้ได้เพื่อนให้กําลังใจเพราะฉะนั้นผู้เก่าจึงมาปฏิบัติเพื่อเป็นกําลังใจของคนใหม่คนใหม่ต้องการกําลังใจเพราะยังไม่รู้เหตุรู้ผลรู้ต้นรู้ปลายว่า ม, มาทําอย่างนี้เพื่ออะไร ต, ต้องการแบบต้องการกำลังใจต้องการพี่เลี้ยงนี่คือเรอวิาสาหิยตาเรามีนะแล้วก็กริยนามิตตาคือครูบาจารย์ที่เรามาพระสงฆ์ทุกลูกเป็นกริยนามิตรนะเป็นแบบให้นะท่านมาบอกให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นทําให้เป็นเย็นให้สัมผัสเนี่ย พราะั้นเราก็ครบทั้งสามเงื่อนไขว่าในส่วนของกรีนามิดท่านแยกเป็นสหายท่านแยกเป็นสัมพวังกตาสภาพแวดล้อมตอนทุ่งดงเราไปแวะอยู่วัดหนึ่งเวลาไปบินทบาเนี่ยมีหมาเป็นบริวารพาติดอารมณ์กันพอสมควรเอามาหลายตัวเลยนะเสร็จแล้วหมาที่ตามไปมันก็ไปทะเลาะ ก, กับหมาชาวบ้านดังกันทะเลอะซอยวิ่งสวนหน้าสวนหลังเออ งั้นก็มีนะวัดไหนมีหมามีไก่เยอะๆอมาก็รู้สึกว่าไม่เป็นบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่พระแสงเทียนนี้ไม่มีหมาไม่มีไก่เลยเพราะอะไรเพราะไม่เอาเศษอาหารไปทิง้งแล้วก็ไม่ให้อาหารเดี๋ยวก็หนีำหรับคนในลัทธิบุญก็จะเป็นการไม่มีเมตตาอะไรแนั้นความจริงไม่มีปัญญานั่นแหละนะ เราว่าถหากเราเอาเศษอาหารเอาขยะทิ้งไว้เป็นที่เป็นทางเปรตจะเข้าวัดนะเปรตก็คือพวกสัตว์ที่มาใส่นี่แหละสัตว์ที่หิวหิวทั้งหลายเป็นหมาเป็นไก่มุกหมากรไก่มาใส่อยู่นี่เขาเราียกเปรตจะเข้าวัดเพราะนั้นเวลาเราทิ้งของวางของต้องดูให้ดีต้องใส่ถ่ายใส่ถุงใส่ที่เศษอาหารต่างๆเพื่อไม่ให้เปรตมาลุ ก, กวนได้ ทีนี้มาดูว่าตัวสมาธิฏฐิที่ว่ารู้ซื่อเนี่ยมันเป็นคำที่ฟังแล้วง่ายๆแต่ว่ามันไม่ง่ายไอ้รู้ยังไงรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆกับรู้ซื่อบื้อนี่ต่างกันนะส่วนใหญ่จะรู้ซื่อบื้อนะคือรู้แบบไม่รู้อะรู้แบบไม่รู้อะไรรู้ซื่อบื้อไปเลยรู้แบบไม่มีปัญญาก็เลยรู้ซื่อบื้อ แต่รู้แบบเข้าใจอย่างสมมุติว่าหลวงพ่อกำลังพูดเนี่ยฟังเราเข้าใจทะลุแจ่มแจ้งอันี้เขาเรยกรู้ซื่อๆคือรู้แล้วเห็นทะลุอ่ะแต่ถ้าหากรู้ซื่อบื้อไปไงก็พูดไปแต่ไม่รู้เรื่องก็พูดอะไรฟังนั้นไงแต่ไม่รู้อะไม่เข้าใจนี่เขาเรารู้ซื่อบือ้อคือไม่ไม่รับรู้อะไรเล ย, เลยเนี่ ตาเห็นหูได้ยไม่ต้องรับรู้อะไรมากไปกว่านั้นก็รู้ซื่อบือ้อรู้แบบภาวิชาแต่รู้แบบวิชาคือรู้ซื่อๆอรู้ไปตรงๆในสิ่งที่กําลังมากระทบนะและเข้าใจสิลงมันเข้าไปในใจนะก็เรียกเข้าใจนะฟังเราเข้าใจไหมเป็นภาษาไทยเห็นไหมเข้าใจนะเข้าไปในใจมันตั้งอยู่ภายใต้ใจเขาเจะอันเดอร์ใช่ไหมภายใต้ อันเดอร์สเตนไปตั้งบวกวันเดอร์เข้าไปเข้าไปตั้งอยู่ในใจภายใต้จีใจของเราอันเดอร์สเตนเพราะฉะนั้นการรู้ซื่อๆ ส, สมมติเรานั่งไปนานๆเนี่ยง่วงเนี่ยถ้ามันง่วงหาวอดวอดเนี่ยรู้ซื่อบืออบ้อก็รู้ซื่อๆทำไงถ้ารู้ซื่อๆมายก็ว่ารู้อาการของมันก่อนที่มันจะ หาวเนี่ยมันปุ๊บปับ๊บกอนที่มันจะง่วงมันปุ๊บปั๊บง่วงเลยหรือเปล่ามันต้มีอาการใช่ไหม ม, มีอาการมันขยับก่อนแล้วก็เห็นอาการของมัน อ, อ๋ออาการที่มันจะง่วงเป็นอย่างอาการที่จะหาวรู้เข้าไปซื่อถ้ารู้ไม่ซื่อไปไงแล้ว ก, ก็ปรุงโอ้มันกลี่ําคัญมันมาง่วงนะง่วงนะทำไมเป็นอย่างนี้นี่รู้งงไม่ซื่อแล้วเพราะรู้มันเข้าไปในความคิดมันไม่ซื่อไปหาความรู้แต่มันเข้าไปหาเลี้ยวไปหาความคิดนี่รู้ไม่ซื่อ นะรู้ไม่ซื่อก็รู้ซื้อบื้อนี่ก็ต่างกันดีนะเพราะฉะนั้นรู้ซื้อซือรู้ซืรู้ไม่ซื่อแล้วก็รู้ซื้อบือ้อมีสามรู้นะภาษาไทย ม, มันเป็นภาษาที่ประหลาดแล้วก็สสีอความหมายเข้าใจได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในตัว ความเข้าใจที่รู้ซื่อๆรู้อย่างถูกต้องนะีท่านเขล็อกเอาไว้ว่าต้องรู้อย่างงี้นะเพราะความรู้ความเห็นเนี่ยมันปิดมันแต่ละคนก็มีความเห็นทุกวันที่เรามีปัญหาก็มีความเห็นไม่ตรงกันนะคนเห็นไปนคนละอย่างแล้วแต่พื้นเพของคนคนนั้นมาจากไหนการศึกษาเป็นอย่างไรสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรก็เห็นไปตามพื้นเพของตัวเองเราถึงได้มีปัญหาทะเลาะกัน บ้านจะแตกเมืองจะพังก็เพราะความเห็นนี่แหละครอบครั ว, วจะล้างครอบครัวจะยาพ่อแม่ไม่ถูกการลูกไม่ถูกกับพ่อแม่ก็เพราะความเห็นนี่แหละไปคนยเลยเถอการเห็นที่มันไม่ตรงไม่ซื่อเนี่ยมันก็จะให้เกิดปัญหาและความทุกข์ทีนี้พอมาดูความรู้สึกตัวของเราเนี่ยเราจะเห็นยังไงได้ถูกต้องขณะที่เรานั่งเนี่ยอะไรกําลังเกิดกับเราการเข้าไปดูอาการที่มันกำลังปรากฏ ซื่อๆในที่นี้มาอยากจะบอกว่าชัดๆต่างกันไหมซื่อๆกับชัดๆที่ต่างกันติงแคร์ฟูลีต่างไหมยมจูลี่เขาว่าซื่อๆกับชัดๆเนี่ยภาษาไทยเหมือนกันหรือต่างกันเหมือนกันไหมตรงๆซื่อๆชัดๆนะตรงเนี้ยใน ในภาษาเนี่ยที่เราสวดไม่กี้ใช่เกวราสะทุขขันธสัอันตะกิริยาปัญญาเยทาติทำฉนหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏชัดเอามาต้องการคำว่าปรากฏชัดเนี่ยตัวไหนแปลว่าปรากฏชัดปัญญาเยธาติใช่ไหมปัญญาเยธา เพราะนั้นปัญญาในพุทธศาสนาไม่ได้แปลว่ารอบ ร, รู้รู้นั้นรู้นี้เยอะแยะนะปัญญาที่เป็นโลกุตระนั้นแปลว่าปรากฏชัดสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราขณะ น, นี้อะไรบ้างที่ปรากฏชัดการรู้เข้าไปชัดๆัดในสิ่งที่กําลังเกิดนั้นเรียกว่าโลคุตระปัญญาใช่ไหมถ้าเราแปลว่าตัวปัญญาเยถะแปลว่าปรากฏชัดทำฉันไหนการทําที่สุด ของกองทุกนี้แค่พึงปรากฏชัดแต่ถ้าโดยผลรวมเนี่ยเราไปเอานุุ้้นตอนที่เข้าถึงมรรคผลนิพพานบอกว่าที่สุดทุกปรากฏชัดละแต่ในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันแค่เราทำตัวปรากฏชัดให้เกิดขึ้นณจุดนี้เพราะเราผลบรนปลายเราต้องการมะม่วงสุกมันก็ต้องปลูกต้นมะม่วงใช่ไหมแต่ว่ามันดันไม่ถูกมันก็เป็นมะม่วงดิบไปถึงมะม่วงสุกเนี่ยมันก็ต้องปรากฏไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่ามันเป็นมะม่วงสุก แต่ถ้าเราปลูกมะนาวมะกรูดแล้วผลมันไปจะออกมาเป็นมะม่วงเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันคนละ น, นี่เงื่อนไขกันเราจะได้มะม่วงนะ่ยมันก็ต้องปลูกมะม่วงเราต้องการความปรากฏชัดที่สมบูรณ์ก็ต้องเริ่มปลูกต้นตัวปรากฏชัดที่อ่อนๆไปนะอันนี้คือคือสิ่งที่เรามักจะมองข้ามเพราะฉะนั้น คำว่านั่งหลับตากรลืมตาเนี่ยพูดถึงความชัดเจนเนี่ยอันไหนชัดเจนกว่ากันในการรับรู้เอออันนี้ต้องคิดนะขณะที่นั่งดืมตากับหลับตาในความปรากฏชัดทางอายตนะทั้งหกเนี่ยอันไหนมันชัดกว่ากันนั่งหลับตาหรือลืมตาใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องหาคำตอบเลยมันเป็นคำตอบอยู่ในัวงมันเสร็จร้อยทั้งร้อยถ้าใครบอกว่านั่งหลับตาปรากฏชัดกว่า เอออันนี้นายคิดมันปรากฏชัดภายในอ่ะใช่ปรากฏชัดภายในรู้กันได้ไหมหลวงพ่อเทียนท่านเลยพิสูจน์มาพูดหลายครั้งแต่ก็นำมาชายใหม่เพราะคนที่มาได้ฟังก็มีอว่าครั้งหนึ่งใช่ไหมที่หลวงพ่อเทียนท่านอยู่ที่วัดโมกขอนแก่นสมัยนั้นท่านก็เดินทางวัดสนามน้อยว่าวัดโมกบังไปท่ามีขวัญบางเวียนหยึ่เนี่ยสามแห่งในช่วงที่ท่านอยู่วัดโมกเนี่ย เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าที่เขื่อนน้ําพองเป็นลูกศิษย์ฝ่ายหนึ่งที่เขาปฏิบัติแบบพุทโธมานานหลายปีเนี่ยเขาก็มาพบหลวงพ่อก็ราะรู้ข่าว่าหลวงพ่อเป็นพระวิปัสนาที่มีชื่อเขาเลยอยากจะรู้เขามาพบหลวงพ่อก็ถามหลวงพ่อเป็นพระวิปัสนาใช่ไหมครับสอนวิปัสนาใช่ไหมครับก็พอคุยกันได้โยมไม่ต้งสอนก็ได้พอคุยกันได้เออ เราได้ข่าวว่าหลวงพ่อให้นั่งลืมตาเนี่ยมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงหลวงพ่อมันจะไปรู้ได้ยังไงหลวงพ่อก็อออถามอายุปฏิบัติแบบไหนมาผมก็นั่งแบบพูโทโธมาม า, มากี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วหลวงพ่อตอนไหนทําให้ตะมาดูหน่อยสิหลวงพ่อเล่นแบบนี้เลยนะ แต่ว่ า, ามีเงินเขว่าก่อนที่จะทําเนี่ยของมีค่าในตัวคุณเนี่ยเอาออกก่อนเมื่อนั้นธรรมะมันไม่เข้าเหมอนกัเอาอะไรออกบ้างเออหมดนั่นแหละแกะแหวนเงินทองพระคลุ่มพระคืองเขาก็ห้อยพระเครเคื่องมาเตรียมกอเลยนะเอาไปเรีย่เมเรื่มทองมากองไว้ตรงนี้เอาเรียบร้อยคุณนั่งหลับตาแบบที่คุณเคยทํานั่นแหละข่าวท้าท้าส้มือข้าวาท้ามือซ้ายต่างตัวต้องดำรงสติมันกําหนดลายหายใจเข้าว่าพุทธกำหนดลมหายใจออกว่าโทตามสูตรงคุณเลย ทำไปสักพักหนึ่งเอาพอแล้วแล้วทีนี้หลวงพ่อก็เอาของในช่วงหลับตานะหลวงพ่อก็เอาของวัขมาหลังนึอ้ของคุณหายไปไหนไไม่รู้หลวงพ่อทำวิปัสนาของหายไม่รู้มันจะเป็นวิปัสนาได้อย่างไรโอ้โห เจอเขาจุดนี่คุณทํำมากี่ปีแล้วมั้งเจ็ดปีใช่คุณไม่รู้ก็เพราะคุณหลับคุา ห, หลับตาเรางหมอนนนะทีนี้ลองทําแบบสูตรหลวงพ่อว้างได้ไหมออผมจะลองทําแบบไหนอะนั่งนั่งทำสบายไม่ต้องขาขวขาขาดขาซ้ายแล้วนั่งสบายเอายกมือพิมพ์มือขวาแข่งขึ้นขวามามก็สอนไปสักพักจําได้หรื อ, อยังจะ ท, ทําไปทำไปหลวงพ่อก็ เอามือไปข้างหลังก็ง ย, ย้ายจนถึงข้างหน้าเอาวางข้างหน้าก็ถามตอนนี้คุณรู้แล้อยังว่าของที่มันหายไปมันไปอยู่ที่ไหนอ๋อหลวงพ่อเอาไปไว้ข้างหลังผมแล้วมันมาอยู่ข้างหน้าได้ไงก็หลวงพ่อย้ายมาคุณรู้ใช่ไมเพราะนั้นหลับตาทําก็ลืมตาทำเนะี่ยอันไหนมันดีกว่ากันอันหนึ่งมันรู้ของหายอันหนึ่งมันไม่รู้หลวงพ่อใส่ไฟค้างตรงนี้เลยนะ อันนี้คือวิธีการของพ่อง่ายง่ายะแต่ชัดเจนปรากฏชัดเลยว่าเห็นชัดชัดเลยอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งเอามาท้ดโดนหลายครั้งนะที่พอสอบบันมแบบนี้นะเ้าาไปเปิดไฟอั น, นี่มืดแล้วเนี่ยทไไฟในห้องน้ำมันไม่ออกมาก็ไปหมุนหลอดก็แร้งไอ้หมุนหลอดมันคงไม่ติด อ้าวไปมันไม่ใช่ตรงนั้นหรอเ น, นี่ยเนี่ยมากดสวิตช์เนี่ยเหมือนกันโอนี่ยคุณไปปิดไฟผิดที่มันก็รู้ชา้าองี้แล้วมันมันต้องเปิดสวิตช์ไม่ต้องไปมุนหลอดเหมนนะ่ะเจอหลายครั้งครั้งหนึ่งก็ไปยยมไปหาท่านก็จดในเบอร์โทรศัพท์ให้ท่านโอ้หลวงพ่อถ้ามีความต้องการอะไรนะโยมภาวณาจะทําจะสร้างอะไรก็โทรไปเบอร์นี้นะหลวงพ่อก็เอากระดาษแผ่นนั้นนะให้จดเบอร์ก็เกลกะเต็มหน้ากระดาษใช่ไหม เอามาหาเอาไปพิมพ์เรียบเรียงใหม่ดูทีว่ามัเอามาก็เอาไปพิมพ์ท่านก็มาดูยังใช้ไม่ได้เอนเงี้นมันผิดตรงไหนเอามาก็ไปทวนใหม่หมดเลยเอามาใหม่ครั้งที่สองก็มาดูบอกยังใช้ไม่ได้เอชักสะกิดใจแล้วหลวงพ่าเอายังไงกันเลยกันเนี้ยครั้งที่สามคือตอนแรกเอามาพิมพ์ห่างๆใช่ไหมพอครั้งที่สอง พิมพขยับเข้ามาหน่อยหนยเรียบย่งสงสัยมันจะตรงนี้แล้ววาทีนี้พิมพ์ทีจัดเลยนะเอามาข้างที่สามอ๋อแบบนี้ใช้ได้เพราะงั้นนะอันนี้คือการสอบอารมณ์ของท่านว่าเราทําอะไรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยทีห่างอะไรแค่ไหนเนี่นะเขตั้งแต่นั้นมาเอามาก็เลยเอาเอ า, เอาตัวที่ท่านสอบอารมณ์มาใช้เพราะมาตามปฏิเป็นคนจับจดุดทําอะไร เหตุการฟุ้งซ่านสะเพร่ า, รานี่นิสัยเดิมนะแต่หลังจากถูกสอบอารมณ์แบบนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเอามาใช้ซึ่งฝืนนิสัยของตัวเองอย่างมากแต่นั้นคือการฝึกนะคือการฝึกคือท่านให้เรารู้ก่อนว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรแล้วท่านก็เอาตัวนั้นมาประเด็นตอกย้าให้เราแก้ไข ตอนหลังมาโอ้ต้องยอมรับว่าการแก่นิสัยเสียๆของตัวเองไม่ใช่ง่ายเลยนะเพราะเราสังสมมาไม่ใช่ชาตินี้นะอาจจะสังสมอะไรชาติเลยมันถึงกลายเป็นนิสัยของเราเนะี่ยแต่พอพบกัระยานมิตรแต่ถ้าคนอื่นมามาบอกเราแบบนี้เป็นไงที่เราไม่ศรัทธาเป็นไง<ม>เป็นเรื่องเลยอ่ะใช่ไหมคุณมาถูกฉันทำไมคุณเป็นใคร <laughs> อใช่ไหมเออเป็นเรื่องของส่วนตัวของผมเอาคุณยังมายุ่งอ่ะเอาอย่างงี้เลยแล้วก็เป็นเป็นเรื่องอะไรทีนี้ แต่นี่เราศรัทธาท่านอย่างสูงใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอมาต้องเป็นนัยยะอะไอย่างหนึ่งที่เราจะต้องอันนี้คือเราเคารพในความเป็นผู้รู้ของท่านนะเพราะนั้นศรัทธานี่สำคัญถ้าเราจะปฏิบัติอะไรกับใครนะถ้าเราไม่ศรัทธาเต็มร้อยนะยากอ่าเอามาเองก็เออมีคุณมีคุณสมบตัติตรงนี้หน่อยคื อ, อามาเป็นคนเชื่อง่ายไงถ้าเชื่ออะไรทุ่มให้หมดเลย นะผิดก็ผิดไปเลยถูกก็ถูกเต็มที่ไปเลยนะอันนี้คือหลักันึงที่ต่อมาเขาสังเกตไปเรื่อยๆแล้วแก้ไขไปแก้ไขไปเพราะตัวนิสัยต่างๆที่เราสังสมมาเนี่ยทำให้เราได้ศึกษาแก้ไขทั้ะ น, นั้นก็สีและสีขาคือการทำกายวาจาให้เรียบร้อยเรียบร่ายสีนันนี้ในแง่ของตัวบท ในแง่ของบัญือนหนะท่านพูดไว้แค่นั้นในสีนี่เป็นเรื่องของกายนะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกายวาจาท่านแยกเอาไว้แต่ถ้าสมมุติว่าแต่ว่าโดยตัวปรมัตถ์แล้วในสีเนี่ยมีสมาธิปัญญาอยู่ด้วยในสมาธิมีศีมามีปัญญาอยู่ด้วยในปัญญามีศีลมีสมาธิอยู่ด้วยทรีอินวันแหละนะแต่เวลาในแง่ของการศึกษาต้องเอามาแยกทีละ อ, อย่างแบบเวลา ย, ยมชมกาแฟใช่ไหม เวลาจะกินจริงๆเป็นไงต้องเอามารวมกันใช่ไหมแต่ในช่วงที่เก็บใช้เนี่ยอากาแฟไว้ที่หนึ่งน้าตาลไว้ที่หนึ่งเอาน้ําไว้ที่หนึ่งบทีก็มีอะไรมีคอฟฟี่เมดด้วยใช่ไหมมีขิงเทียมด้วยนะะเอาไว้คนละที่แต่ในเมื่อจะใช้เนี่ยต้องเอามาบิ๊กมารวมมาผสมให้เข้ากันพอดีๆเช่นเดียวกันนะวเวลาจะ ฝึกทางด้านกายให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันถูกต้องามันเหมาะสมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนี้เรื่องสีนี้นะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของส ม, มุติปรมัดก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาบางทีมองข้ามไปได้สัโอ้คุณปฏิบัติศี้วยทาไมต้องปฏิบัติดุลปัญญาเลยศึกษาเรื่องปัญญาเลยสีแนวทิ้งไว้นั่นก่อนเนี่ย อย่าข้ไปคุณจะไปทํารื้สมาธิเดี๋ยวมันก็จิตมันไปยึดติดศึกษาเรื่องปัญญาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละให้ศึกษาเรื่องศีลต้องใช้สมาธิและปัญญาไปด้วยที่ว่าถีนวันเมื่อกี้นะถ้าศึกษาเรื่องสมาธิก็ใช้ศีลให้ปัญญาเข้าไปด้วยถ้าศึกษาเรื่องปัญญาก็ให้มีศีลมีสมาธิเข้าไปด้วยมันจึงเป็นไตรศีขานะเพราะในขณะที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครผิดศีลเลยนะไม่มีใครไปลักทรัพย์ มีใครไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์พูดผิดในกามพูดปดเสียเสียเพ้อเชื่อมไม่มีใครไปเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย น, นี่ศีลที่เป็นบัญญัติเขเรีอกศีลสังคมใช่ไหมแต่ในแง่ของศีลที่เป็นตัวปรมัดอะที่เป็นสมาธิศีลในแง่ของสมาธิปัญญาถามว่าในขณะนี้เนี่ยในร่างกายของเรามีอะไรผิดปกติบ้าง มีอ่ะตั้งแต่เรานั่งมานี้ประมาณชั่วโมงหสองชั่วโมงเสร็เสเนี่ยเราพลิกเราเปลี่ยนกี่ครั้งและบางคนหลายครั้งแล้วนะแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติใช่ไหมไอ้ตัวผิดปกติแล้วเราบำบัดแก้ไขออกนี่เราต้องการให้มันเข้าสู่ปกติเพราะนั้นความหมายศีนอีกันศีนแปลว่าปกติการที่เรานั่งแล้วมันปวดขานี่มันปกติหรือผิดปกติผิดปกติใช่ไหมเราก็จะมีการ เปลี่ยนนะเอาดูดูใดนะจะเ อ, เอาต้นต้นนี้ไปเพราะว่าคนใหม่เยอะเรามีการเปลี่ยนในขณะที่เปลี่ยนเนี่ยเข้าสู่ปกติไหมคือไม่ปวดใช่ไหมคือปกติมันไม่ปวดแต่ในขณะที่เราเปลี่ยนถ้าหากว่าเราเปลี่ยนโดยที่โดยทั่วไปอะที่ยังไม่เข้ามาฝึกเลยนะรู้สึกไม่สบายก็เปลี่ยนไปลงไปหาความสบายเท่านั้นเอง สิ่งที่เราได้คือความสบายใช่ไหมความปกติแต่ว่าเราได้ความสบายภายนอกแต่ความสบายภายในยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะเรายังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยเผื่อไปอยู่นะขณะที่ไม่สบายทางกายเราก็คิดเรื่องความสบายภายในยังไม่เกิดความทุกข์ภายในยังมีอยู่ท่านก็เลยบอกว่าในขณะที่รักษา ปกติของกายเนี่ยทยํายังให้เกิดสมาธิและปัญญาด้วยนั้นก็คือเวลาก่อนที่เราจะเปลี่ยนเราก็สังเกตว่าอาการปวดแค่นี้มันหนักแค่ไหนใช่ไหมหนักแค่ไหนนี่ใช้ปัญญาแล้วท่านใช้คําว่าสัมปชัญญะตัวนี้นะสํารวจดูก่อนว่าตัวปวดตัวไม่สบายขณะปรากฏขณะเนี้ถ้ามันพอทนได้แล้วก็ทนไปก่อนถ้าเมื่อไหร่มันทนได้ยากถ้าทนได้ง่ายก็เรียกว่าสุขใช่ไหมถ้าทนได้ยากเรียกว่า เพราะฉะนั้นคำว่าสุสขกับทุกข์เป็นคําเดียวกันเปลี่ยนว่าทนได้ยากหรือทนได้ง่ายสุขกับทุกข์จึงเป็นเรื่องเดียวกันถ้าทนได้ง่ายกว่าเรียกว่าสุขถ้าทนได้ยากเรียกว่าทุกข์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสุขกับทุกข์ไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามเป็นสิ่งเดียวกันแต่คนละขั้วเข้าใจนะคนละขั้วก็คนละข้างในต่างกันนะคนละข้างหมายความว่างคนละอย่างแต่คนละขั้นในอย่างเดียวกันแต่ว่ามันคนละทางหัวท้ายเท่านั้นเองนะ บันไดเดียวกันคือสุขลูกเป็อันเดียวกัน น, น, ก น, นหนึ่งบนดั ง, งหัวนายท้ายตอนนั้นสุขสบายพักหนึ่งพอเปลี่ยนไปเป็นไงสักพักหนึ่งความสบายเมื่อกี้นิดๆเนี่ยเริ่มเป็นไงไม่สบายอีกแล้วใช่ไหมจากความสบายเมื่อกี้ที่ว่าทนได้ง่ายกลายเป็นทุนได้ยากขึ้นเรื่อยๆจนพอทนได้ยากขึ้นผิดปกติแล้วผิดปกติผิดศีลแล้วใช่ไหมผิศีลทางกายทีนี้ถ้าหากว่าเราพลิกโดยไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้กำหนดรู้เนี่ย เรียกว่าตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อีกอ่าตรงนี้ตามไม่ทันนะถ้าเราพลิกเราเปลี่ยนโดยที่ไม่รู้ชัดๆว่าอะไรทําให้เราเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วอะไรหายไปอะไรเกิดขึ้นการเข้าไปรู้ตรงนี้ปรากฏชัดๆมายังไม่ทิ้งประเด็นปัญญายยิ่งแฉ่นะการลวงพูดเรื่องนี้แต่ว่า บ, บริบทมันกว้างๆหน่อยเนี่ยนะ บอลีบอดคอนเทกต์มันกว้างหนทีนี้เมื่อเราเข้าไปรู้ชัดๆอ๋อถ้าสมมุติว่าเราความไม่สบายตรงนี้ยังไม่เต็มที่แล้วเราเปลี่ยนเนี่ยความปวดตรงนี้นยังไม่ชัดเราเปลี่ยนไปยก่อนการเห็นทุกตรงนั้นชัดไหมไม่ชัดเพราะฉะนั้นถ้าเราติดสบายเราก็จะเปลี่ยนบ่อยยังไม่ทันได้ทนเลยเปลี่ยนไปแล้วนี่พอเราติดสบายติดสุบตรงนี้นะ คือเปลี่ยนบ่อยๆแต่คนที่ต้องมีความอดทนมีจิตใจเข้มแข็งจะเปลี่ยนช้าหน่อยทนได้เอาทนเต็มที่แหละคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งนานๆเปลี่ยนทีหนึ่งคนที่มีใจแบบนี้เปลี่ยนเรื่อยๆเพราะมันผิดปกติบ่อยตรงนี้เขาค่อยๆเรียบเข้าไปนะยังยังยังไม่ข้ามนะ ตรงนี้สาคัญเพราะถ้าสมมติเข้าใจตัวอย่างหนึ่งเนี่ยอีกร้อยตัวอย่างมันเหมือนกันหมดแต่เข้าใจหนึ่งให้ชัดๆแล้วอีกหลายๆอย่างมันจะชัดหมดเพราะมันก็โครงสร้างเดียวกันสมมติตรงนี้เราเอาการโปวดขาเป็นโมเดลแล้วกันนะสัมผัสได้ง่ายเป็นตัวอย่างทีนี้ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนไปทุกครั้งโดยที่ไม่ตามรู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่มันปรากฏอยู่ตรงนั้นเราเรียวกว่าเปลี่ยนโดยสัน ชาติยานเราเปลี่ยนร้อยครั้งพันหนุนสัญชาติยานก็เพิ่มอะไรเพิ่มกําลังใช่ไหมสัญชาติยานก็เพิ่มกําลังมากขึ้นสันชาติญานก็พัฒนามาจากโมหะใช่ไหมโมหะคือความหลงลืมลืมดูอะว่าลืมรู้ว่าเราเราเปลี่ยนเพราะอะไรเอาละทีนี้พวกเรามาปฏิบัติมาศึกษาเรื่องนี้พอสมควรละเอามาก็เ น, น้นเรื่องนี้ทุกครั้ง ยางหนึ่งว่าเป็นจุดสำคัญเพราะเราต้องการตัวปรากฏชัดตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงที่สุดนะว่าทำไแเราถามตัวเองอะ่ะนะว่าทำไนหนอใช่ไหมเยสวดว่ญญาณเหมือนกันให้ถามถึงทำไหนอการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งหมดเนี่ยจะพึงปรากฏชัดอันนั้นคือคือคาที่เรายกมาจะพึงปรากฏชัดเหมือนหนึ่งว่าการปรากฏชัดเป็นผลรวมครั้งสุดท้าย แต่ผลรวมขั้งสุดท้ายมันต้องสั่งสมไปจากเหตุใช่ไหมเหตุทีละนิดละนิดละนิดเนี่ยความปรากฏชัดขั้งสุดท้ายมันจะสมบูรณ์มันจะต้องเริ่มต้นความปรากฏชัดตั้งแต่เริ่มต้นนะบอกได้บอกได้ว่ากลุ่มมันกลายเป็นมะม่วงไม่ได้มะม่วงก็ต้องกลายเป็นมะม่วงแต่เราจะเริ่มต้นมะม่วงลูกเล็กเ็ตั้งแต่ดอกมันใช่ไหมตั้งแต่ดอกมะม่วงไปจนถึงผลมะม่วงสุกมุกไปตามลําดับเหมือนกันการที่เราพลิก ไปแล้วรู้สึกเริ่มดอกแล้วดอกนี่เขาเรียกว่ามักนะฮะเวลามันลุเขาเรียกว่าผลนี่คือคําของพระเจ้านะหมากว่าเรามาหมากผลแต่เอามาใช้เป็นมักผลโอ้ต้นไม้นี่ไม่เป็นหมากเป็นผลนี่ตัดทิ้งใฉยสูมันไม่เป็นหมากเป็นผลคนนี้ไม่มีมักผลอย่าเข้ามาเลยนี่คนที่ไม่มีมักผลเป็นแก่นสารจะทนอยู่ไม่ได้ท่า น, นบอกว่าในะถ้าพวกเราทั้งหลายที่ทนต่อทุก เขเวทนาเนี่ยทนได้เพราะมีมรคผลเป็นเกณฑ์สารนั้นหมายความว่ามรคขณะเนี่ยพอเราพลิกไปปั๊บเราหินมรคั้มคือการเปลี่ยนเป็นมรคแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วความสบายที่เรามีเพียงไม่กี่วีเนี่ยมันเริ่มหายไปก็เริ่มหนักใหม่ใช่ไหมการสังเกตการหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทนไม่ได้เอาจนทนไม่ได้ก่อนนะถ้าทนได้ทนไว้ก่อนเพราะอะไรเป็นการฝึกขันติไปด้วย ถ้าฝึกความหนักแน่นของอารมณ์ไปด้วยนะเป็นการฝึกเป็นในตัวเลยพอทนไม่ได้จริงจริงก่อนที่จะเปลี่ยนรู้ตรงนั้นให้ชัดว่าอะไรเกิดขึ้นเห็นความหนักให้ชัดเห็นความปวดให้ชัดเห็นความขัดยกตรงนั้นให้ชัดพอเห็นแล้วขยับก่อนจะเปลี่ยนวิธีก่อนที่เปลี่ยนเราเราทำยังไงบาลานซ์น้ําหนักใช่ไหมก็คือยกตัวมาดีนิดหนึ่งไม่ใช่พูดปั๊บเปลี่ยนเลยนะออทํำไมเราเอ็นตัวมาเพื่อที่จะบาลานซ์หนักว่าเรากําลังจะยกขาข้างนี้ใช่ไหม พอขยับขาขึ้นปั๊บความรู้สึกหนักๆเริ่มไปหายไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมพอพลิกไปหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบรอยเปอร์เคอมพลีทเี่เลยหายไปหมดเลยนะปกติไหมนั่นศีลปรมาติเกิดขึ้นแล้วเมื่อกี้เราผิดศีลตรงที่ว่ามันไม่สบายมันผิดปกติใช่ไหมพอพลิกไปสักพักหนึ่ง ตัวนี้ก็เรื่องผิดปกติอีกการแก้ตัวผิดปกติมาสู่ปกติกลับไปก็ไม่บ่อยๆตัวนี้เรียกเป็นมักแต่ให้รู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอาการสบายและไม่สบายนั้นเสียตรงนี้เป็นปัญญาเห็นให้ชัดแต่แน่นอนเบื้องต้นเนี่ยเราไม่สามารถจะจับอาการนี้ได้ร้อยทั้งร้อยหรอกร้อยหนึ่งขอให้เริ่มจับปเป็นตัด สมมติ100ร้อยครั้งนะพลิกร0อยครั้งรู้ไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งท่านบอกว่าคนที่ได้อารมณ์แล้วจะรู้ถึงยี่สิบห้าครั้งขึ้นไปรู้อารมณรูปนามนะการพลิกในร้อยครั้งเนี่ยคนที่รู้อารมณ์รูปนาจะรู้ความชัดเจนเหลอถึงยี่สิบห้าครั้งขึ้นไปแต่โยมเคยเห็นความชัดเหล่านี้สักกี่กี่ครั้งในร้อยครั้งเนี่ย ผูดูชนร้ยเปอรเ็นต์เร็วเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกปฏิบัติเพื่อมาฝึกดูสิ่งนี้เท่านั้นนะแล้วลักษณะที่เกิดทุกทางกายเนี่ยตั้งแต่หัวจุดเท้าเนี่ยเยอะไหมยเยอะมากอันนี้เรายกแค่ตัวอย่างที่ขายอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นมันจึงก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวทั้งหมดคือการบำบัดทุกขเวทนาทั้งร่างกายนั่นเองถ้าเรานั่งนิ่งๆโดยที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ย มันก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวของอะไรของลมหายใจใช่ไหม Blood circulation ของเลือด Air circulation ของหายใจเคลื่อนไหวตะลอดเวลาไอ้การเคลื่อนไหวนั้นมันถือก่อให้เกิดความไม่สบายไงเพราะอะไรเพราะเรานั่งไปนานๆโดยเฉพาะเรานั่งที่แข็งๆนี่นะมันไปบล็อกอะไรไปทำให้ กดเส้นท่อเลือดลมตรงที่ตะโกของเราที่ขาของเราให้มันตีบตันใช่ไหมแต่เลือดลมเนี่ยเขาจําเป็นต้องไหลเวียนไปตามท้อของเขาเมื่อเขาการไหลเวียนไม่สะดวกมันเกิดการตีบตันแล้วเขาก็ไปไงดันที่จะผ่านดันไปดันมาไอ้ขณะที่มันดันที่จะผ่านผ่านไม่ได้ก็ให้เกิดอะไรความเจ็บปวดพเพราะเซียวตรงนั้นมันเริ่มตายเพราะ เลือดลมที่จะไปเลี้ยงการดำรงอยู่ของเซลล์เนี่ยพอเลือดลมไปไม่พอเซลล์โดนนั้นมาเริ่มตายพอเริ่มตายมันก็ก่อให้เกิดความเจ็บปวดตรงนั้นมากขึ้นมากขึ้นพอเราพลิกเปลี่ยนปับเลือดลมผ่านปับ๊บพอเซลล์โดนนั้นได้รับเลือดลมที่ผ่านปับ๊บมันก็ฟื้นความเบาสบายก็เกิดขึ้นมาอันนี้ความเปลี่ยนแปลงก่ให้เกิดความไม่สบายอันนี้จังก็อให้เกิดทุก ข, ขังอันนี้พูดถึงเรื่องในส่วนรูปกก น, นะ ให้เห็นภาพในส่วนรูปก่อนอันนี้จังก่อยเปิดทุกข์ขังแล้วความทุกข์นั้นเมื่อได้ละกามาบัตก็หายไปความทุกข์นั้นเป็นอะไรเป็นอนัตตาความทุกข์ก็ไม่มีตัวแต่มันเกิดขึ้นเพราะกฎของไตรลักษณ์ตามเงื่นไขของไตรลักษณ์ตรงนี้นะดังนั้นในจุดนี้ไม่อยากจะมองข้ามถือว่าเป็นการวิจัยนะวิจัยไม่ไม่แยงมาเพราะมันเยอะเหลือเกินนะ่ะในชีวิตประจำวันของเรา การเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเนี่ยมันมีแต่สิ่งนี้เท่านั้นพุทธิยถาถึงบอกทุกเท่านั้นเกิดขึ้นชีวิตก็คือทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปถ้าไม่มีการเกิดการดับของทุกก็ไม่มีอะไรชีวิตนี้นั้นเราตถาคตได้จัสรุปมาเพื่อทําหน้าที่สิ่งนี้มาบอกทุกเกกับการดับทุกเท่านั้นถ้าไม่มีทุกแล้วตถาคตไม่จําเป็นต้องอุบัติขึ้นในโลก ผู้ที่เจ้าทั้งหลายอบัขนในโลกเพื่อมาทำหน้าที่ตรงนี้เท่านั้นมาบอกชี้ว่าอะไรเป็นทุกข์แล้ววิธีแก้ดับเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นการทำนี้จึงทำให้ชัดเจนไว้เสมอหายใจให้ชัดก็ไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปหายใจให้ลึกๆแล้วหายใจสั้นๆไปไงมีปัญหาเรื่องปอดเรื่องหายใจลึกๆออกซีเรนเข้าไปเยอะๆ เต็มถุงปอดทุกปอดมีถึง68 00ืันถุงถุงเล็กๆฟองน้ำเลยนะเมื่อเอาอเชนเข้าไปเยอะไปไงไปทําให้ฟอกเลือดให้สะอาดมากขึ้นถ้าเอาเช้เยนืน้อยเลือดก็ไม่สะอาดเรื่องจะมีปัญหาต่อสุขภาพมันนี้ ห, หมดเลยความชัดเจนคือบนการคําสอนของพุทธเจ้าท่านจะสอนให้ดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตแต่คนหายใจสั้นเป็นคนไปนไงอารมณ์เสียง่ายใช่ไหมหงุนหงิด แต่คนที่หายใจยาวเข้าไปถึงไหนรู้หมดออกมาก็ยาวจะเป็นคนใจเย็นไดหนักแน่ น, นเห็นไหมมันมีผลต่ออารมณ์ด้วยในในการลมหายใจแต่วันหนึ่งเราเคยมาดูความสั้นความยาวของลมหายใจสักกี่ครั้งเอามาเคยนับดูนะหายใจแต่ละครั้งมันกินเวลาเท่าไหร่หายใจเข้านับหนึ่งสองสามสี่หาหยใจออกนับ 1, 2, 3, 4, หออนึ่งตามสองสามเซกี่ไปอ๋อ แต่ปกติของคนเนี่ยหายใจเข้าเท่าไหร่คำนวณดูดูไปดูมาหายใจเข้ายาวกับออกเนียไหนว่าโยมอันไหนว่าอันไหนสั้นอันไหนยาวกันหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนยาวอันไหนสั้นหายใจเข้าหาย ใ, ใจออ ก, กใใจะยาวแครฟูลีพิจารณาอีกทีหนึ่งเอาให้ดีลองลองดูหนึ่งสองสม ได้คับตบเรียนอันไหนสั้นอันไหนยา ว, ยาวฮะวเอาเกณฑ์ส่วนใหญ่นะเอาเกณฑ์ส่วนใหญ่นะข้าวสั้นออกยา ว, า ว, ออยาวคุณไหนว่าข้าวยาวออกสั้นบ้างแ น, น่ข้าวยาวออกสั้นก็มีนะอ่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะกั้นไว้แค่ไหนแต่โดยปกติที่ไม่ต้องกัน้นให้ธรรมชาติเนี่ย <c oughs> หายใจปกติธรรมชาติเนี่ย เข้าเนี่ยมันมีที่สุดใช่ไหมไปสุดที่ไหนที่ท้องน้อยแต่ออกแลมันมีที่สุดไหมไม่มีเพราะฉะนั้นมันต้องยาวกว่าเอออันนี้ต้องหายผลด้วยนะเพราอเข้าเนี่มันชนแค่ทองกันนั้นแหะไปเดินแต่ไปไหนไม่ได้แล้วมันก็ต้องรีบออกมาแต่ออกว่าเราไปทั่วเลยทีนี้กวจะเข้าอีกก็เอามา ก, ก็เลยมาดูอ๋อออกมันสามวิเข้ามันสองวิคือบางทีออกสี่วิเข้าสามวิฉเฉลี่ยแล้วเนี่ย ห้าสองกับสามมันก็เป็นเข้าออกก็เท่ากับห้าวิเออห้าวิถ้างั้นหนึ่งนาทีมันก็ได้กี่ครั้งเนี่ยสิบสองห้าก็หกสิบประมาณสิบสองครั้งอสิบสองครั้งแต่คนหายใจยาวก็อาจจะได้แค่แปดครั้งเก้าครั้งแต่คนหายใจสั้นอาจจะได้ถึงสิบห้าครั้งหรือสิบแปดครั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานคือสิบสอง ถ้าคนไหนได้เกินสิบสอขึ้นไปคนนั้นจะอารมณ์เย็นจิตใจหนักแน่นพอบทนสูงคนไหนต่ำกว่าสิบสอลงมาก็จะอารมณ์สั้นอารมณ์หมุนหงิดสมาธิสั้นลงมาเรื่อยๆเพราะถ้าคนเป็นโรคสมาธิสั้นพ่อหายใจเข้าออกสั้นคนสมาธิยาวก็หายใจเข้าออกยาวนะอันนี้คือวิธีการหายใจ เ, เรื่องการปฏิบัติในเรื่องกรรมฐานหรือวิปัสสนาเนี่ยเอามาเนื่องจะเอามาเป็นคนที่ผิดพลาดมาเยอะ เพราะนั้นก็เลยขยับในการศึกษาเนี่ยให้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆก็แก้ไขไปเรื่อยๆยอมรับว่ายากแต่ว่ามันเป็นไปได้ถ้าเรามีศรัทธามีความตั้งใจที่จะศึกษาทุกอย่างนะทุกอย่างแล้วสิ่งนี้เป็นประสบการณ์และประสบการณ์อันนี้มีอยู่ในคนทุกคนเมื่อนำเสนอหรือบอกโยมโยมก็เป็นแบบเดียวกับธารมะธรรมะก็เป็นแบบเดียวกับโยมส่วนจะมากจะน้อยก็อีกเรื่องหนึ่ง แล้วมันก็ง่ายต่อการปฏิบัติเพราะอะไรเพราะมันเห็นชัดใ ช, ใช่ไหมเพราะมันเห็นชัดปรากฏชัดอะ่ะนี่คือตัวปัญญาเพราะฉะนั้นทําอะไรแม้แต่เดินเนี่ยถ้าเดินแบบไม่ชัดไปยงไงเตะนั่นเตะนี่ใช่ไหม ข, ข้องนั้นข้องนี้น อ, นอามาก็เป็นมากที่สุดละ <c oughs> เวลามาจอดเวลามาอยู่ที่เข้าประตูรองเท้ายังไม่จอดสนิทเลยนะทิ้งรองเท้าไปเตะไปข้างหลังเฉยเลยเ <c oughs> ข้าประตูไปเลยนะ พอปฏิบัติมากเข้ามากเข้า ม, าามันเริ่มรู้ทีละเก้าสองเก้าจอดให้สนิทลืมรองเท้าในประจําเลยละ่ะพอจอดไม่เป็นที่สิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่มีใครที่ศึกษาวันเดียวครบหมดนอกจากบุคลคลคนนั้นได้บำเพ็ญบา ร, รมีมามากมายแล้วมาศึกษาเพียงไม่กี่วันแล้วสมบูรณ์ครบทุกอย่างอันนั้นเราต้องยกให้ท่านเพราะทัานท่านนึงแบ่งการรู้ทเป็นสีระดับรู้ไวที่สุด ภายในวันเดียวถึงเจ็ดวันเรียกว่าอุคติตันยูรู้ได้เร็วมากอแต่บางคนฟังแล้วต้องการอธิบายให้ชัดเจนกวน่านี้ถึงจะเข้าใจเรียกว่าวิปจิตันยูอ่บางคนแนะนําหลายๆครั้งแนะนําแล้วแนะนําอีกแล้วเขาถึงจะเข้าใจได้ตรงนี้คืาเรื่องไวยะแต่บางคนแนะนำแล้วก็ไม่เอาบอกแล้วก็ไม่เอาเอาแล้วก็ไม่จริงตรงนี้เขาเรียกว่าพวกอะไร ปทะพปรมะได้เคยยินเขานี่ไหมปทัปรมะปทะปรมะนี่ไม่ได้หมายถึงคนโง่นะคนฉลาดมากเกินไปปทะพแปลว่าบทบาทใช่ไหมปรมะมันวดามากเกินปทะพปรมะมีเหตุผลมากเกินไปปทะพปรมะนะได้แก่พวกมีการศึกษาทั้งหลายใช่ไหมโดยเฉพาะดรศาสตราจารย์ทั้งหลายไม่ต้องไปสอนในเรื่องนี้พวกนี้ให้ไปรู้เอาเอง เพราะมันมีเหตุผลเยอะเราสอนวันนี้เขาอ้างทางนี้แล้วสอน น, นี้เขาอ้างทางนั้นเพราะนั้นคนไม่แต่ตามที่เขาดูบอกว่าคนจริงปทัทภผละมะนี่ไม่มีเรามาแปลปัจจุบันว่าเป็นอะไรนะดอกบวชใต้คนกีดเด้อ <c oughs> ดอกบวชใต้หินไม่มีโอกาสโผรเลยว่าปทัทภผละมะเนี่ยดอกบวชใตคนกีดแต่คนจริงในธรรมธีนั้นมีสามอุคติเตียนอยู่วิปตินอยู่แล้วก็ไนยะ คือบอกว่าในยะบุคคลเนี่ยเราเป็นทักขินในยะบุคคลเนี่ยในยะบุคคลคือแนะนําได้สั่งสอนได้ไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งวันนี้ยังไม่เอาวันหนึ่งก็องเอาแต่ประธปรมาเนี่ยจะสอนวันไหนเมื่ อ, อไรฉันไม่เอาทั้งนั้นนะไม่ใช่เรื่องของฉันเแต่ตอนนี้ต้องปล่อยไปนะแค่ในยะบุคคลได้แนะนําไปในยะเราขอให้เป็นทักขินทักเป็นในยะบุคคล คือเป็นคนที่อบรมได้สั่งสอนได้แนะนำได้ก็ยังมีโอกาสที่จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการที่เรามาศึกษาปฏิบัติก็คือมาฝึกดูในหน่วยเล็กๆในการเคลื่อนไหวของเรานี้เสก่อนเมื่อจุดนี้มันชัดเจนมันกลายเป็นสติปัญญาของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสติปัญญานี้ไปฝึกฝนตนเองได้ แต่ตามอะไรที่เราไม่เกิดสติปัญญาด้วยตัวเองไอ้การที่จะมาฝึกฝนสั่งสอนตัวเองเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้แต่มันไม่มีทางอื่นเลยนะถ้าหากว่าเราจะเข้าถึงสัจธรรมโดยการฟังคําสั่งสอนของค น, ค น, คนอื่นเนี่ยไม่ได้เพราะพระพุทธเจา้าท่านบอกไว้นะบอกว่าตุมเหหิกิจังอาตปังอาคาตาโรต่าคตา ปฏิปันาประโมกคันติชายยินุมาละพันธนาท่านทั้งหลายต้องทำความเพียรเราเองเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้ชี้ทางเป็นเพียงไก้ให้นะผู้ใดมีปกติแยบคลายเฝ้าดูชัดเจนเสมอคนนั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงได้เห็นไมทันนน่ะ แต่ท่านใช้ในภาษาปริยัติท่านใช้คำว่มามิลปกติเพ่งพินิษชายโ น, โนนะเพ่งพินิษแต่ความจริงการเพ่งพินิษ์คือทําให้ชัดเจนนิดเองใช่ไหมนะเรานั่งอยู่เนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนต้องดูมันซะก่อนให้ชัดๆว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยๆเขาเปลี่ยนไปเออเปลี่ยนไปแล้วมันรู้สึกว่ามันหายไปก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนหมดก็ได้บางครั้งเ้ามาให้สามวันหลังต่อหลังแล้วมันก็าจัดสามวันหลังก็คือนั่งปฏิบัติในอิริบทเดียวสักสองชั่วโมง ขเขลิวเสียครับดาบภาษาของแพรแสงเทียนนะี่นั่งอีบทเดียวดังนั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องขยับรับเออไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอีโบทใหม่แต่ขยับได้ขยับได้นี่ถ้ามาอยู่ตลอดถึงงานหมดงานก็อย่าพาทําหมือนกันแต่ท่านยันกรมกิท่านมีประสบการณ์ท่านพาทำได้ในช่วงหลังะขยับพอมันหายไปมาเคยนั่งอีบทเดียวทีเดียวรวดตั้งแต่สิบโมงไปถึงห้าโมงเ็นนะไม่ต้องเปลี่ยนเลย ใช้วิธีขยับให้มันผ่านให้เรารู้ว่าที่มันปวดนี่หลักการของมันก็คืออะไรเรื่อลงลมพันไม่สะดวกใช่ไหมใการขยับเพื่อให้เรื่อลงลมพานสะดวกทุกเวทนาก็หายไปนะดังนั้นการที่เราจะฝึกฝนตนเองถ้าเราเข้าใจราย ล, ายละเอียดเหล่านี้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยมันสนุกเพราะครูบาอาจารย์บอกมาแค่นี้เราอาจจะทําได้ดีกว่าครูบาอาจารย์ ใช่ไหมเพราะแล้วแต่บางคนมีปัญญาดีกว่ากว่าอาตมาเงี้ยเพราะฉะนั้นในรายละเอียดเยกใครเนี่ยดีทำได้ดีกว่าอาตมาหลายเท่าอาตมาก็จะเข้าใจเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเป็นเก้าปีสิบปีโยมอาจจะใช้เวลาเพียงปีเดียวก็ได้แต่ขอให้ได้หลักการที่ถูกต้องเพราะศาสนาพูดเป็นศาสนาที่ต้องใช้ปัญญาพูดท่าแปลว่าปัญญานะผู้รู้ตื่นเบิกบานก็คือองค์ของปัญญาพุทธศาสนาศาสนาคําสอนเพื่อให้เกิดปัญญาว่ากันโดยตรงอะ่ะ อ น, นั้นพระุทธเจ้าเวลาท่านจะปรินิพพานเนี่ยพระอนุนเกรงว่าท่านสอนมาสี่สิบ้าปีเยอสี่ทุหาเยอะถ้าหาท่านปรินิพพานไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใครไว้เป็นตัวแทนเนี่ยเรื่องมันจะวุ่นวายพราะไปเห็นตัวอย่างของอพวกมหาวีระพวกชดินคนอื่นๆหรือาศาสนาคนอื่นที่ตายไปแล้วก็วุ่นวายท่านก็บอกว่าข้าแต่พระผู้เชิญขอพระองค์จงตั้งแต่งตั้งพระเทละองค์ใดองค์หนึ่งที่ เป็นที่ยอมรับความรับรองของสังฆาทั่วไปเป็นตัวแทนของพระ อ, องค์ก่อนที่พระ อ, องค์จะปฏินิติานอตายไปพองค์ตัดไว้ไงว่ า, า, <c oughs> วาทำและวิในใดที่เราตรถาคตตรัสสอนในที่นั้นๆทำและวิในนั้นจะเป็นศาสตราแทนตัวเราท่านตรัสรู้นี้เลยนะเอามาจํงภาษาบาดีไม่ได้น่ะ เกจิอาจารย์ก็เลยมาว่าสช่ใหมว่าถ้าหาพระพุทธองค์ตั้งใครคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ในขณะนั้นพุทธศาสนาจะอยู่ได้แค่ห้าร้อยปีแต่เพราะด้วยพญานัญญาอันไม่มีที่สุดใครไม่มีที่สุดได้เห็นว่ามันจะพุทธศาสนาที่จะยาวไกลต่อไปได้เนี่ยต้องอาศัยตัวธรรมในเป็นศาสาแทนพุทธศาสนาจะยาวถึง ห้าพปีว่าไงนะอันนี้พระเกจิมาแปลทีหลังนั้นนี่นะแต่จริงจริงพุทธเจ้าจัดไว้หรือเปล่าหรือเทอกันเลยว่าพุทธะทำนายแต่พุทธเจ้าทํำนายไว้หรือเปล่ามารู้ฝังเอาไว้ก็แล้วกันนะทีนี้ทำละวินัยใดเอมันก็เป็นเรื่องอยากนี่เราเป็นชาวบ้านธรรมดาจะไปสมทานปฏิบัติตามพระธรรมวินัยแบบพระสงฆ์ให้สมบูรณ์อย่างที่ว่าได้อย่างไรมันก็จะไม่เวิร์กเพราะว่า การตีความหมายไม่ตรงกับที่เลยสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมที่ถ้าแปลสมัยว่าวินัยเป็นเรื่องของการระมัดระวังเป็นการเรื่อการจัดระเบียบชีวิตใช่ไหมระเบียบวินยัยจัดระเบียบให้ความมุดงามภายนอกภายในมันได้แก่อะไรได้แก่การมีสติใช่ไหมถ้าคนไม่มีสติจะเป็นจัดระเบียบตัวเองได้ไหมคนไม่มีสติจะจัดระเบียบข้างนอกได้ไหมได้เหมือนกันแต่ไม่ละเอียด จะจัดระเบียบไอเวทนาต่างๆที่พูดไปเมื่อกี้คนไม่มีสติทําได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวสตินั่นคือตัวพระวินัยเมื่อจัดระบบระเบียบแล้วมันเกิดความสบายขึ้นมาเกิดความปกติขึ้นมาก่อให้เกิดธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือปกติก็ได้แก่ตัวธรรมคือสภาวะที่ทําให้เกิดปัญญาเหตุใกล้ที่ทําให้เกิดปัญญาคือความเบาสบายแต่ถ้าละทุกข์มากเกินไปเนี่ยปัญญามันก็ไม่เกิด แต่แล้วทุกขอทุนได้เบาสบายในบางครั้งปัญญามก็เกิดเพราะนั้นถ้าจะกล่าวซึ่งหมายว่าสติปัญญาใดที่เราตถาคตได้อบรมได้ตัดสอนในที่นั้นๆสติปัญญานั้นมีอยู่แล้วในคนทุกคนเธอทั้งหลายพึงใช้สติปัญญานั้นอย่างถูกต้องนั่นคือเราตถาคตหมายความว่าไงหมายความว่าในคนทุกคนมีพุทธภาวะมีพุทธะอยู่แล้วในนามของอะไร สติและปัญญาต้องวงเล็บด้วยว่าที่เป็นสัมมาทิฐิใช่ไหมทุกวันนี้โลกที่มันมีปัญหาเกิดการทําลายล้างข้าวฟันลบ ก, กันเนี่ยเพราะคนมิสติปัญญาทั้งนั้นใช่ไหมที่สร้างขึ้นมาแต่คนมิสติปัญญาเหล่านั้นวงเล็บว่ามันเป็นอะไรมิจฉาทิฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็เลยทําตรงกันข้ามเปลี่ยนสติปัญญาเปลี่ยนธรรมวินัยตรงนี้ให้เป็น ถ้าที่ถือธรรมวินัยเป็นมิจฉาทิฏฐิมีไหมมีบวชมาปฏิบัติมาสามสิบห้าสิบปีก็ยังสึกเฉยเลยสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาเฉยเลยใช่ไหมก็เป็นสติปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐนะิเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างสติปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิและสติปัญญาที่เป็นสัมมาสติเริ่มต้นอย่างไรก็คือมรรคมีองค์แปดใช่ไหมท่านเริ่มต้น สมาทิฏฐิเพวกนั้นสมาทิฏฐิสําคัญท่านเอาใช้สติปัญญาไปไว้ท้ายเลยสมมาเลยสมาถสติสมมาสมาธิใช่ไหมไว้ท้ายเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยต้องเห็นให้ถูกต้องเป็นเรื่องสําคัญที่ปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันเพราะมันความเห็นไม่ถูกกันนะใช่ไหมขอให้เกิดปัญหาทุกจุดของสังคมเลยตั้งแต่ส่วนตัวไปถึงถ้าเราเกิดความขัดแยงด้งในตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสับสนงงงวยใช่ไหมอ่าเกิดความขัดแยง้งคอนฟ lict ในตัวเองเนี่ย แค่ยังเพราะไม่ลงรอยกันในใจของเรามันก็ไปออกทางนอกมันเกิดจากข้างในตัวของเราอ่าท่านว่าท่านนี่ว่าอย่างนี้ท่านนั่นว่าอย่างนั้นเจ้าจะเอาแบบไหนดีเกิด ค, ความสับสนนะทีนี้เราก็มาสร้างตัวสมาธิที่เป็นพุท ธ, ธก็คือมาเห็นว่าตัวทุกข์ชีวิตนี้คือตัวทุกข์เห็นเราเป็นรูปเห็นเราเป็นทุกข์ก็จะ เริ่มตั้งต้นในตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่เราเห็นเราเป็นไหนเห็นเราเป็นเราถูกต้องเลยเป้เลยนะเพราะเห็นเราเป็นเราอ่ะไม่ว่าเราทําไมอ่ะเห็นเราเป็นกรูอ่ะเห็นเราเป็นมึงอะนะไม่ว่าฉันทําไมอะไรเลยนะก็อะไรก็เราหมดอะไรก็ฉันหมดอะไรก็กูหมดอะไรก็นี่หมดมันก็ไม่เห็นเป็นรูปเป็นนามใช่ไหมทั้นนั้นเวลามาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสัมมาทีิฏฐยว่าก้อนรูกตรงนี้มันคือก้อนทุกขใช่วยไหม พเราต้องบำบัดแก้ไขปเปลี่ยนดินหลนเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่อบำบัดทุกเท่านั้นแต่คนที่ตายไปแล้วมันไม่ต้องเคลื่อนไหวแล้วมันทุกทางกายไม่มีแล้วแต่ทุกทางใจอาจจะไปทําหน้าที่ต่อไปเป็นจิตวิญญาณนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เออหมดเวล า, ลวาเลยยังอหกโมงเลยเวลามาสิบสองนาทีนะว่าหกโมงถึงเจ็ดมงวันนี้เลดหน่อยเพราะว่าเราทําวัดเลดนะ ว่าจะประโยชน์ค่ากันที่นู่นที่ที่สน า, ามวันนี้เป็นดีเจเลยนะไม่มีไม่มีไมมอ้โปรเจคเตอร์เถ้ามีโปรเจคเตอร์ก็ว่ากันตามแต่ที่นี้ก็ไม่พออยู่ดีดังนั้นเรื่องเหล่านี้ต้องศึกษานะอย่าไปทําตามใครง่ายๆะ เ, เราเปลี่ยนศรัทธาให้เป็นปัญญาแต่เบื้องต้นที่เรายังเข้าใจอะไรไม่ชัดเจ น, นต้องมีศรัทธาก่อนนะศรัทธาสําคัญคือมีความมุ่งมั่นที่จะทําเสียก่อนนะ มุ่งมั่นที่จะทํามุ่งมั่นที่จะศึกษาเมื่อมุ่งมั่นศึกษาเมื่อเราข้อมูลเรายังไม่พอเราต้องฟังเรียกว่าการฟังให้เกิดปัญญาเรียกว่าสูตรตรมยปัญญาใช่ไหมฟังแล้วเกิดปัญญานี่ทําได้นี่เรื่องเนี้แผลนออกมาเลยพอแผลออกมาเห็นปรากฏชัดเรียกว่าจินตามยาปัญญาใช่ไหมพอฟังแล้วโอ้เรื่องนี้มันทําได้แผลนขึ้นมาในหัวเลยแล้วเอาไปทําตามนั่นะเรียกว่าทําได้ถูกต้องเป็นภาวนะมามยปัญญา ตรงนั้นพอเราเกิดตรงนี้เป็นปัญญาของเราแล้วถึงแม้เราจะฟังจากท่านแต่เราเอามาปรับมาปรุงมาแก้ไขตัวเองให้มันเป็นถูกต้องนั้นเรียกว่าเป็นตัวองค์ของโลกุตรปัญญาต้องเกิดสามทางนี้ต้องฟังฟังแล้วต้องพิจารณาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายหาความเป็นไปได้ที่ถูกต้องชัดเจนแล้วไปลองทําดูบางครั้งเราคิดว่าเออเราเข้าใจถูกแล้วนะไปทํามันไม่ถูกก็มีใช่ไหม อานจะขาดอะไรสักอย่างหนึ่งการไปทําแล้วมันถูกต้องได้ผลขึ้นมาตรงนั้น เ, นเรียกว่าภาว น, ะมนามยปัญญานะเขาใช้นในช่วงเชา้านี้ให้เอาเรื่องนี้ไปทําดูว่าการบําบัดทุกขเวทนาทุกส่วนของร่างกายเนี่ยให้พยายามตามรู้ตามดูตามเห็นให้มากที่สุดถ้าเรามีการเคลื่อนไหวร้อยครั้งเนี่ยให้รู้อย่างน้อยสักยี่ครั้งก็ยังดีนะแต่เกณฑ์มาตรฐานต้อง25ครั้งขึ้นไป แต่ถ้าสิบครั้งนี่เป็นไงต้องอีกยาวเนละแล้วไม่ทําเลยเรื่องอะไรหลวงพ่อมาพูดไม่ทําอันนี้ก็ว่ากันอีกยาวเหมือนกันดังนั้นขอให้ศึกษานะขออนโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะเรียนรู้ตัวเองศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองจนสามารถเห็นกายเห็นใจเห็นทุกเห็นนามเห็นสมมุติเห็นประวัติในกายในใจของเด็กปรากฏชัด ที่สุดด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ